เราม่ต้องดที่สญาของเราจริงๆนะเพราะว่าเขาเป็นเา้าตั้นตัดไว้ว่าตัดลหลายล้วนเป็นญาติพี่น้องด้กันทั้งหมดจริงถ้าจะเปรียบเทียบญาติสายเลือดในชาตินี้ในพอกนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นสายเลือดในตระกูลของเราแต่ใครจะรู้ว่า ญาติแล้วหรือญที่ผ่านมาคนที่เรามารรพบุรุษในในปัจจุบันเนะเขาอาจจะเคยเกิดเป็นพ่อเกิดเป็นแม่หรือเคยเกิดเป็นพี่น้องของเราก็ได้พระบวนการตัดแบบนี้แหละตัดทั้งหลายคนทั้งหลายล้วนเคยเกเป็นพี่น้องญาติพี่น้องของเราไม่ว่าครอบใดและครอบห่ง ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นญาติน้องของเราเล ย, ยะใในะผู้จ้างผู้ดำเนินชีพหรือเทพผู้ตีอย่างก็ได้ว่าพวกเราตววเป็นญาติพี่น้องที่ขึ้นได้มาพบกันได้มาพบกันในชาตินี้นะที่นั่งอีกตรวนี้จะเหมือนกันเป็นญาติพี่น้องได้จัดันฉนั้นแล้วคนที่เราประทับถูให้ในวันนี้ก็รัวเป็นญาติของเราด้กันทั้งหมดทั้งสิดนเหมือกัน <t> อันนี้คือโดยความจริงเาะถ้าเรามองใกล้ๆนะถ้าเรามองใกล้ๆเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวแรงนำตะกุงหรือเชื้อสายของเรามันก็อยู่แต่มันขาดแต่พระพุทธเจะออ้าให้เกียรติเหมือนตรงที่มีญาตมีความรู้ที่ลึกซึ้งจ น, าานเรากว้ามไกเหมือนระดับสายตาเรามองตัวเองแค่แค่สนาง ในสิ่งที่เราคิดแต่พระพุทธเจ้าท่านมองทะลุไปไม่รู้ในภพภูมิต่างๆก็เลยพูดมาเช่นี้นะถ้าเราก็ถ้าเราเป็นชาวลุกนะเราก็แม้เราจะไม่เห็นตาลองเชื่อตามพระพุทธเจ้าเอเพราเราเชื่อตามพระพุทธเจ้านะอเราก็จะมองว่าการทำบุญในวันนี้นนะ ก็ทำบุญให้กับญาติของเราจริงๆไม่ใจว่าเราไปทาบุญให้กับญาติของเราที่เป็นสายเลือดเท่านั้นวันนี้เร า, าก็มาําบุญให้กับญาติของเราซึ่งเสียชีวิตไปอาจจะโดยใว้ที่ยังเด็กเป็นทารกก็ดีหรือเป็นไปที่เกิดมาเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เสียชีวิตไปก็ดีเขาเป็นญาติของเราเท่านั้นถ้าเราลองแบบนี้ยเราก็ มีความเต็มใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะดูที่คนคนคนคนให้กับเขานี่นี่คือเขาเสียชีิตไปแล้วเนะแต่อมนอ่งนะธรรมญาติของเราจะได้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คนที่ยังไม่เสีชีวิตหรือว่าสัตว์ตายที่ยังไม่เสีชีวิตถ้าเรามองดูความเป็นญาติน้องด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราก็จะ เรียกว่าค mm ําดีต่างๆโดยที่ว่ามีได้อยากที่รักที่ชังใช่ไหมเราลองสังเกตดูถ้าคนใดที่เป็นญาติเป็นเพื่อนของเราเราก็จะมีมีน้ําใจมากกว่าคนปกติหรือว่าเราก็จะมีเวลาเพื่อเพื่อให้กับมากกว่าปกติแต่ถ้าเราลองเปิดใจเราไม่กว่างแล้วก็มองว่าที่จริงคนไข้ที่เราได้ดูแล ก็รู้ถึยงยากของเราเราจะไม่ทำด้วยหน้าที่แต่เราจะทำด้วยใจการทํางานด้วยหน้าที่ก็ดีแต่ถ้าเราทำงานด้วยใจด้วยมันจะมีพลังเต็มทีทเ่เพราะว่าถ้าใจเรามีพลังการทำงานหน้าที่เราก็จะไม่สึกเหนเหมือนกับคนที่ เคยเห็นพ่อคนแม่คนเนาะก็จะรู้สึกดีว่าขนาดทำกังวลเราทำงานเต็นที่แต่กลางคืนนะบางทีเราก็ต้องกดราดับปับนอนเวลาทู่ไม่สบายเวลาทู่นอนแล้วก็ยังไม่หลับสกีเราก็ต้องดูแลเขาเต็มที่ใช่ไหมหรือบางครั้ญาติพี่น้องก็แม่ของเราป่วยนะเพราะว่าหลายคนกมีประสการใช่กังวเรา ตามตื่นเราก็ต้องมาเฝ้าไขมาดูแลทําโปรีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอันนี้คือเราทาเล่นใจถ้าเราทำเล่นใจนะงานจะยากงานจะหนักขนาดไหนเราก็ทําได้นั้นการทําหน้าที่ตับทุกป่วยที่เราดูแลก็ดีเนาะให้เรามองเขาว่ามันเป็นญาติของเราถ้าเรามอง เราจะทําพื the the ่ความสุขเราจะทำเพื so ่อความพอใจทำเพราะว่าอยากให้เขาค้นจากความทุกข์เพราะว่าในความหมายนึงธรรมะยากของเราคือเรามีความแก่เหมือนกันทุกคนเรามีความเก็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันทุกคนเรามีความตายเหมือนกันทุกคนไม่ว่าแต่คนก็ดีหรือว่าศาสนาต่างก็ดีนะเพราะ็จะได้สังเกตเองว่า ต่ั ẹ, ้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เจิญแก่เยบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งินเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมทุกข์รวมทุกขคือในเมื่อเราได้เกิดมาแล้วก็ต้องเจอพวกนี้เหมือนกันแม้เราไมอยากเจอแต่เราก็ต้องเจอมันเลื่ยงไม่ได้นะแม้มาว่าจยาง โรงพยาบาลหลายคนหลายท่า น, นไม่ได้อยากมาเราะอาจจะมีบางคนจะยุ่มากแล้วไม่เจ็บไข้ใม่ป่วยไม่ต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ก็ยากที่จะไม่มีใครที่ยากไม่สบายก็ต้องมาหามาเยี่ยมญาติที่ไม่สบายหรือถึงจุดสุดท้ายเขาตายเราก็ต้องมา แล้วตกเขาจะไปทำบูรุษที่บ้านหรือที่วัดต่ออันนี้คือความหมายใอความเป็นญาติที่พวกเราต้องเกี่ยวข้องต้อการจัดการต่อให้เรามองแบบนี้เลยนะมองคนที่เรารู้จักก็ดีหรือมองคนที่เราต้องเกี่ยวข้องหรืหน้าที่หมอพยาบาลก็ดีหรือมองคนหรือตาลสายที่เราอาจจะมีรู้จักชื่อที่เราอาจจะมีเคยพูดคุยกัน แต่ถ้าเรามาองเวามสัมพันธ์ญากเราจะมีจิตที่ปรารนาดีต่อกันเนะมื่อจิตที่ปรารนาดีต่อกันการกระทาแล้วก็คำพูดมันจะออกมาจากจิตที่ปรารนาดีมันจะไม่รูไมไมพูดร้ายไม่ทําร้ายกันและกันหรนะือถ้าเาสสขาตกทุกขยากเรามีอะไรจะช่วยได้าก็ช่วยนะ ด้วยด้วยความเมตตาด้วยด้วยความสรรนาหรือเขามีความสุขแล้วก็มีมุิตาอินดีในสิ่งที่เขาเป็นความสุขไม่อิชฉาไม่เกลียเียนแต่เป็นที่สุดแล้วบางครั้เราก็ต้องทำใจดูเบงขาดูคอยวางหรขอบางอ่างอย่างเรา ทำหน้าที่ะนะด้วยความเป็นหมอเป็นพยาบาลดูแลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายหลายๆคนเขาก็ต้องตายการตายไม่ใช่ควาิดของการแพทย์ไม่ใช่การผิดของการรักษาแต่การตายคือธรรมชาติอางนึ่งธรรมชาติที่ทุกคนต้องตายแต่อย่างน้อยก็อยากจะฝากเลยว่า ถ้ตรงที่เรารักษาที่ได้ขังกายนะแต่ที่จริงแพทย์แล้วก็พยาบาลหรืวาคนเกี่ยวข้องทั้งหลายเรายังสามารถรักษาส่วนที่เรียกว่าใจคนเราสัตว์สายมันมีสองส่วนคือกายกับใจคนสมัยเนี้ยเป็นนที่การบารุงร่างกายจะบารุงร่างกายเพื่ออะไร ให้มันพ้นรวดให้มันสมบูรณ์หาอาหารอร่อยไปเล็้มลองที่ไหนว่าไก่ไก่ขนาดไหนว่าอร่อยก็อยากจะกินแพงขนาดไหนก็มีเงินก็อยากจะซื้อเราอยากจะสร้างบ้านสร้างตระกูลให้ร่างกายให้มีกินอยู่มีที่อาศัยเราอยากจะได้เสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าคุ้มๆเสื้อ ให้ร่างกายของเรามันได้มีเครื่องปกป้องเราอยากได้ยารักษาโรคบางคนหาเงินหาทองมาหลายสิบปีเอาเป็นหี้ก็เอาหมดเงนหมดท้องก็เอาเพื่อรักษาร่างกายให้มันหายไม่ว่าตัวเราเองก็มีหรืญาติของเราเองก็ดีคือเราต้องเน้นทางด้านร่างกายให้ปัจจัดี หรือปัญหาอื่นๆะเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ก็ทําได้นะไม่ว่าผิดเราก็ควรทาแต่สิ่หนึ่งที่เราสามารถที่จะทํำได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับเรื่องของจิตใจไนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากบางทีเราเป็ยนพวกนี้แต่เรื่องร่างกายแต่เราละเลยเรื่องของจิตใจถ้าเราละเลยเรื่องของจิตใจนะ เราจะไม่พบคนบความสุขเพียแค่จีหลายคนมีเงินเป็นหลายพันหรือว่าไม่เป็นที่เป็นสี่หลายคนมีบ้านหลายหลังหลายคนมีรถหลายคันหลายคนมีที่อยู่อาศัยที่เย็นสบายมียารักษาโรคมากมายมีอาหารบำรุงมากมายแต่มันก็บำรุงได้เพียงแค่ร่างกาย แต่ก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง น, นะมันเป็นความสุขช่วเราวเมืเราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ที่จริงความสุขที่แท้จริงเนี่ยเราสามารถพบได้จากอะไรจากการที่เราตใใัาตใจให้สนะมบูรการตั้ตตใจให้สมบูรนะมีเคล็ับให้ยากเคล็ับที่ตั้งใจให้หมดคือว่า เราทําอะไรก็แล er ้วแต่ให้ใจเราอยู่กับสิ่งนั้นเราจะกินนะก็ให้ใจเราอยู่กับการกินเราจะเดินก็ให้ใจอยู่กับการเดินเราอยู่ที่นี่ก็ให้ใจอยู่ที่นี่เราอยู่ที่ไหนะร่างกายที่ไหนก็ให้ใจอยู่ที่นั่นแต่หลายคนเราเห็นเนาะคนก็ใช่บางคนก็ตุ้มใจเพราะอะไร ตัวอยู่บนเตียงแต่ใจอยู่ที่บ้านตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ใจของคนที่ที่เขาละที่เขากังวลใช่ไหมเมื่อตัวอยู่ที่นี่แต่ใจที่อยู่ด้วยมันก็เลยเกิดความทุกข์หรือบางทีตัวอยู่ที่นี่แต่ใจไปคิดถึงจะดีไปคิดถึงเรื่องราวที่เคยทุกข์ในอดีตใจของพุกหรือ ตัวยังไม่ตายแต่กลัวตายไปแล้วใจก็ปวดใช่ไหมหรือเราเห็นนักสูบให้บางคนหมอไปพยาบาลไ่น่จะฉีดยาเจ็บก่อนนะกลัวเล่แน่ใช่ไหมยวงไม่น่าจะสอนปั๊บเลยรอก่อนนะให้คือพอใจเราไปกังวลในอนาคตมันก็ทุกขก่อนแต่ถ้าเราอยู่ปัจจุบันคำว่าอยู่ปัจจุบันเนี่ย ไม่ได้อยู่กับความทุกนะเช่น ết, เราปวดท้องจะไม่สบายไม่ใช่ว่าใจเราจะต้องปวดคอยปวดแต่ให้เราเลือกที่อยู่ของใจที่มันไม่ปวดมันไม่เจ็บเช่นเราปวดทัวด่วตั ว, วเลยนะแต่สิ่งที่มันไม่ปวดมันมีอย่างน้อยตรงหัวใจเราสามารถเกาะตรงหัวใจอยู่ก็ได้ มันไม่ปวดนะตัวหายใจไม่ปวดแต่อาจมีบางคนอนี่ยหายใจไม่ได้เองก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่มันต้องมีอย่างหนึงนะเช่นเราภาวนาเช็นพุทโธในใจก็ได้พุทโธเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ารู้สึกพุทโธไว้ในใจเนี่ยใจมันจะสงบแต่จะมีปิติแต่จะมีความสุขขึ้นมา มันจะเป็นเครื่องห่อเลี้ที่จแตเราให้ระบบก็ต้็งมีความสุถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับเราจะเพิ่มความสุขของระบบเรื่องใจของเราเองเราถ้าใจต้องใจแบบนี้ได้นะทำไมาเลยคิดว่าโดยเพราะหมอโรงยาบาลไปช่วยคนป่วยไปช่วยญาติพี่น้องคนป่วยให้เขาได้เพิความสุขใจดีเพราะเดี๋ยวนี้นะบางคนดีก็ตา บาทีคนก็เข้ามาที่วัก็ไม่ไปเรีมามาเรียนรู้เรื่องดทุกต่อคนเข้าวัดอยากจะได้บุญอย่ยังมาแต่ทาบุญแต่ต่วนใหญ่ทำบุญแต่ไม่ได้บุญก็ตรงๆมีสมัยเมื่อพันปีที่แล้วนะที่เมืองจีนมีสัตว์จากพรที่เมืองจีนรุหนึ่ง คนหนึ่งเขาตร้างวัด 88, 000, 000, แปดหมื่นี่พันแห่งทั่วประเทศจีนแล้วคนนั้นมีพระจากอินเดียมาที่จีนนั่งเรือเลยนะแล้วก็กท่านมีอิทิพิทปัญหามีมคนนับหมื่มากกระต่าก็เลยที่มมนพระคุณเจ้าจากอินเดียท่านชืน่อท่านตั้งน้องท่านโภคิตคับไปไปหาที่พระราชาปวาัต เพราะว่าท่านสนใจศึกษาศาสนาอยากจะถามว่าท่านก็ถามว่เนี่ยผมเป็นกษัตริย์ผมสร้างวัดมางแสนหน่งสี่พันแห่งผมได้บุญเยอะหรือเปล่าครับอาจารย์น้อบอกว่าพาผมไม่ได้บุญเลยทาไมก่อนนะพระมหาการ์ตัดก็งเหมือนกัน เราสร้างวัดเนขนาดนั้นทำไมว่าเราไม่ได้รวยเพราะว่าท่านทำเลยไม่คิดว่าจะรวยไม่รู้จักมุลเพราะสำว่ามูลที่แค่จริงคืออะไรมุลที่แท้จริงคือความสุบใจความสงบทใจเป็นมุลแต่ถ้านทำมูลแล้วก็สงสัยว่าเราจะได้มุลหรือเปล่าเราทำปู่หรือป่าเราทำปีหรือเปล่าเราทําพอหร้อเปล่า มันจะมีความสงสยัยมนีความ ม, ม่สงมันก็เลยจะ่เป็นดลเทียบกนหรือคนสมันี้เ น, นี่ยามาว่านะไม่ไจะว่าใครคนใดคนหนึ่งนะอันนี้มองแบบข้าพูดเฉยว่ า, าวเราลูกเราดีข้าพูดแล้วไม่ได้ดุเพราะว่าอะไรเราต้องดูรูปแบบแบบขอโทษ น, นะแบบคล้ายๆนักตกปาอย่าใจไเรา เช่นใส่เดือนหรือปลาที่ไม่น้อยนะประมาณใส่เป็นแล้วเราก็ไปหย่อนตรงที่ในน้าเราทําเราทำแบบไหนเราทำปูสบายทานบูใส่บาถ้าเรากระตุานอะไรขอให้หัวตะลีรามันที่หนึ่งขอให้เลื่อนขั้นแผลไม่หยุดยอนขอให้มีความสุขตลอดชีวิต มนเป็นคล้ายคนเปิตลาดได้เงอนหรือตลาดปาตัวเลน้อยนั้นแต่อยากได้ปาตใหญ่ๆคือเราไม่สำกุญย์ด้วยความตลาแต่เราทำกุญย์ด้วยความอยากอยากจะได้เพราะที่จริงคุญย์จริงๆคือความตลาดตลาดความอเนกขีเหนียวเขาไปจัดจิตใจเรามันจะเบาคุณยึคืเบาใจนะแต่ถ้าอยากได้มันจะหนักนะใช่ไหม มันจะไมเราทําแล้วเราทาดีทําไมเห็นได้ดีหนาเราก็สงสัยเราทําความดีเราทําดีทําไมเราเจอแต่เรื่องไม่ดีเราเจอแต่ปัญหาแต่จริงๆถ้าเราทำด้วยความปราเราทําดีแล้วชื่อว่าดีก็จบไม่ต้องไปคิดสงสัยว่าทําไมเราไม่ได้อย่างคนอื่นบางทีเราก็สงสัย ทำไมคนนั้นเขาโกงคนนี้ทําทำไม่ดีคนนั้นเขาไม่มีสิทธไม่มีทำอะไรเขาได้ดีได้เงินเยอะได้มีคนนับหน้าถือตาแล้วก็สงสัยทําไมได้ดีแต่ทำนีไม่ได้ดีทำไมคงทําชั่วได้ดีมีผลไปเพราะเราที่เข้าใจว่าบุญจริงๆเนี่ยถ้าเราทำด้วยความตระดับเราทําด้วยความให้ เราจะเความสุใจหรืความสะใจโดยไม่ต้องฝังผลอะไรนะถ้าเก็บเทียนนะ่ถ้าเราเป็นนักตกปลานะะเราเป็นคนเหมือนให้อาหารปลาเราไปซื้อหัวอาหารเราไปซื้อขนมปลาแล้วแต่เราโอนอาหารนั่นเห็นปลาไล้บ่อปลาต้องมีอาหารที่เราโอนเรามีความสุขเราใช่หแต่ถ้าเราเป็นนักตอปลา เราเราเป็นกับลงไปในกอลงไปในสารนะำจิตมันก็คิดแต่ว่าใม่รปลาจะกินเหยื่อมันยังมีกำลังนะแต่ถ้า่อไหย่เราปค่อยปลาลงไปปลาได้กินมันสุกแล้วมันได้ดูแล้วงนั้นการทำบุญจริงๆคือแบบนีะไม่ใช่ทำบุญแบบลกต่อไม่ใช่ทำบุญแบบตกเป็นแต่ทำบุญด้วยการหการให้ทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง การพูดตีก็เป็นบุญยางหนึ่งการชื่อเชยกันอื่นโดยกายโดยใจของเราก็เป็นบุญยางหนึ่งถ้าเราก็ใจเราก็บุญนะทาบุญนี่ทํำได้ทุกที่ทําได้ทุกโอกาสทาบุญกับรากก็ได้ทำบุญกับคนไข้ก็ได้ทาบุญกับคนข้างถนนก็ได้ทำบุญกับตัต่างๆก็ได้ทำบุญกับต้นไม้ก็ได้นะ ตานน้ำ้นไม้สักหน่อยก็เป็นบุญแล้วยิ้มให้กับหมามันก็เป็นบุญนะบางทีหมาอาจจะมีความสุขเห็นเรายิ้มให้บางทีแม้บางคนโกดตาหน้าขู่หมามันก็กลัวนะแต่ยิ้มให้กับหมาทักหน่ยกับมามันก็มีความสุขแล้วบุญนั้นง่ายเลยนะถ้าใคร้นใจเรื่องบุญนะชีวิตจะมีความสุขแม้อาจจะเจอเรื่องทุกข์บ้าง แต่มันก็ถ้าเราเข้าใจเรื่องบุญเข้าใจเรื่องการมีสติสมาธิมันก็จะปล่อยวางได้ง่มันเจอเรื่องทุกข์มันก็ถูกแล้วใช่ไหมเพราะเรามีร่างกายก็ต้องเผชิญการเก็บไข้ได้ป่วยเจยกันแก่เจอการตายเจยกาันท่าปืนเสียมันถูกแล้วถูกในแง่อะไรมันจะได้เตือนเราครับเตือนเราว่าจะได้ไม่ประมาเนาะ เราเห็นคนข้บางคนตาแต่เด็กๆเราเห็นบางคนเจ็บไข้ไม่ป่วยโดยอุบัติเหตุละอันหนเราเห็นบางคนที่เขาป่วยเยอะลำทรมารเรามาพิจารณาสิท็อปถ้าเกิดกับญาติของเราเองถ้าเกิดกับเราเองก็จะทาใจอย่างไรเมืเราคนป่วยนะให้เราย้อนประมาทพิจารณตัวเองว่า มาถามเองเราฟ้องได้ยังถ้าเราต้อเป็นแบบเ้าเราฟ้องไหมถ้าพ่อแม่ของเราต้องรับปิดแบบนี้เราฟ้องไหมเราถามตัวเองบ่อยๆถามไม่ใช่ถามเพื่อกังวลใจนะถามเพื่อตั้งตั้งใจอะไรที่ยัไม่ฟ้องจะได้ทาให้คนฟ้องอะไรที่ร้อแล้วก็ได้สบายใจหรือเราเตรียมแล้ว ถ้ากทแบบนี้นะเรียกว่าคนไม่ประมาทชีวิตที่ไม่ประมาทนั่นแหละนะคือชีวิตที่จะพบความรแท้จริงคนไม่ประมาทคืออะไรแค่เหมือนเราทำงาเราทำาเสร็จแล้วเจ้าหนายหรือคนตรวจจ่มาตรวจเราจะภายใจเราปีนี้ถ้าเราทาอะไรเราจะสบายใจงานเราเสร็จแล้วเขาจะมาตรวจตไหนเราต้องพ่ให้ตรวจใช่ไหม แ ต, ถนนตแบบ่ถ้าเราทำงานไม่เสร็จเนี่ยเราแอบกินข้าเราเนี่ยไปเต้นร้ายแล้วก็ไม่สบายใจจะต้ามาตรวจเราก็จะโดนว่าทำงานอะไรไม่เสร็จใช่ไหมจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราเตรียมพร้อมดีดีเมื่อความตายมาเรียนเมก่อควาทุกแค้นมาเยนแล้วก็ยอมรับได้อันนี้คือคือบุญแล้วก็ตัวปัญญาอันนี้เป็นกุลที่ อยากให้พวกเราทำให้ก ja. ับตัวเราเองถ้าเราทำบุญให้กับตัวเราเองบุญตัวนี้แหละเราจะแก่ให้กับคนอยู่นได้นะเรามาทำบุญให้กับญาติเราในวันนี้หรือเราจะทำในโอกาสคนอบ่นเราจะทำบุญให้กับเขาเราต้องมีบุญก่อนเหมือนเราไม่มีเงินนะเราจะเอาเงินไปให้คนอื่นมันก็ไม่ได้เราต้องมีเงินก่อนเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราก็เอาเงิให้เขาได้ ปุณกสุก็เหมือนกันเราต้องมีปุญจบระเราต้องรู้จักปุญกบรเราถึงจะเอาให้คน่นได้นะอันนี้คือบุญญ์คกสลที่เราจะมาแบ่งันกับพวเราเองก็ต้องตัดสินด้วยเนาะวันนี้เราจะอยากให้พวกเราเนีนะกับมาเชื่อว่าทีจริงพวกเรามีบุญอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่รู้จักเฉยุญที่เราทำทุกวัน่ะเรารัางปนไข้ โดยหน้าที่แล้วก็ด้วยใจเนี่ยคุณบุญแล้วเราดูแลลูกดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องอ่าด้วยความเต็มใจนี่ก็คุณลุญแล้วเราใส่บาสเราทำทานเราทำกายนี่ก็คุณบุญแล้ววันนี้เนะให้เราจะได้คุณบุญที่เราเคยทำในอดีตแล้วก็บุญที่เราได้ทำในวันนี้เนาะให้เราได้แก่แก่บุญไุกคน ให้ก <ologist. S 2> ja. ับดวงวิญญาณที่เขาระดั้งกายไปตั้งแต่เขายังได้เล่นอยู่ก็ดีหือว่าดวงวิญญาณที่อาจจะไม่ได้มีญาติในชาตินี้มาทำบุญให้กับเขาเราก็ถือว่าวันนี้เราเป็นญาติของเขามาทำบุญที่เป็นบุญเหนือกาที่กับเขาพัฒนาะให้เขาได้ได้ไปอยู่ครอบครูที่ดีพัถนา เราได้หายจากความรู้บุญกุศอทเราแครไปนะมันไม่หมกนะยิ่งแคบุญยิ่งมีบุญยิ่งแคความรูให้กับคนอื่นเราก็ยิ่งมีความรมากขึ้นไปเรื่อยอันนี้เราจะได้จะมีบูญเหียวในบุญกุลที่เราได้ทำาะเขอเราทุกคนทุกท่านเนาะได้ตั้งธุิจุิจส่วนบุญุของเรานะ ได้ทาในอดีตนะได้ทำในปัจจุบันนี้กดีแล้วก็จะทำในนานๆต้องก็ดีนะจงแผ่อ่ทจงสง้กับดประจัทั้งลายนะที่ได้มีความทุกข์ให้เขาได้ลดจากความทุกข์อนาตนานิสิตาตัดดววิญญาณหรือว่าตัทั้งลาย เขาดูความสุขเรวก็ขอให้เขาได้มีความสุขที่งไปขอส่คนส่วนดุลส่วนนี้จนเป็นปันใจจัยให้เราท่านนักหลายได้พบกับความสุขที่แท้จริงคือมรรคผลนิพานในปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถอ